เหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเทพผ่านมาแล้ว7ปีแถวแถวดอนเมืองครอบครัวของผมก็จะมีพ่อแม่ป้านาและหลานแล้วก็ตัวของผมเองชั้นล่างจะเป็นปูนชั้นสองจะเป็นไม้อายุบ้านประมาณ20ปีเห็นจะได้เสา บ, บ้านแต่ละเสาจะมีผ้ายันสีแดงแบะอยู่และจะมีตะปูปักผ้ายันเอาไว้ทุกเสา เป็นความเชื่อของคนในครอบครัวของผมว่าเสาทุกต้นที่นํามาปลูกบ้านจะมีเทวดายอยู่จึงนําผ้ายันมาแปะเอาไว้เพื่อกักวิญญาณเหล่านั้นเอาไวค้คุ้มครองบ้านแต่ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ตรงเสานะผมมีหลานชายคนนึงชื่อนนอายุ16ปีท่าทางตุ้งติ้งเรียบร้อยหน่อยจนโดนพวกลุงๆป้าๆเล่าว่าเป็นนางสาวบ้างอะไรบ้างโดนเพื่อนแกล้งบ้างอนช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีนนก็จะเงียบๆ เ, เก็บเนื้อเก็บตัวบางครั้งก็จะเข้ามาถามผมว่านะ ถ้าคนเราตายไปจะลําบากไหมผมก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้หรอกหลังจากนั้นผมไปทํางานต่างจังหวัด2วันพี่สาวก็โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้กลับบ้านด่วนเลยนะโดนเสียแล้วยังไม่ได้ถามไทยอะไรก็รีบกลับบ้านทันทีเมื่อถึงบ้านผมก็ถามว่าทําไมถึงเสียพี่สาวก็บอกว่าไม่เห็นลงมากินข้าวตอนเช้ายายขึ้นไปเรียกก็ไม่ลงเพราะเห็นว่านานแล้วตอนเที่ยงก็เลยขึ้นไปดูที่ห้องห้องไม่ได้ล็อกก็เปิดไปดูไม่เห็นมีใครอยู่ในห้อง แต่ว่าตู้เสื้อผ้าแง้มอยู่แม่ของโนนก็เดินไปเปิดตู้ดูปรากฏว่าโนนผูกคอตายในท่านั่งผับเพียบในตู้แล้วแม่ของโนนก็ช็อกไปสภาพเชือกที่ผูกไว้ต้องให้เจ้าหน้าที่มาตัดเชือกที่ผูกกับคานในตู้ไม่รู้ว่าผูกในสภาพไหนถึงต้องใช้มีดตัดในระหว่างที่กําลังจะตัดเชือกนั้นก็มีนกพิราบบินเข้ามาชนหน้าต่างหองทุกคนต่างก็ตกใจหันหน้าไปมองแต่ก็ไม่สนใจแค่นกตัวนั้นก็บินมาชนหน้าต่างอีกรอบยายก็คิดว่าหน้าประหลาด ที่นกบินมาชนได้หลังจากทําพิซีศพอะไรเรียบร้อยแล้วช่วงเวลา3วันหลังจากนั้นห้องของนนจะปิดไม่ใช้งานเพราะผู้หญิงในบ้านเป็นคนที่กลัวผีถึงจะเป็นลูกเป็นหลานก็เถอะประตูห้องจะเป็นไม้จะมีรูที่สามารถมองรอดเข้าไปข้างในได้แม่ของผมจะต้องเดินผ่านห้องของนนก่อนถึงจะเข้าห้องตัวเองได้ระหว่างนั้นก็หันไปมองช่องรูระหว่างประตูนั้นซึ่งเป็นเวลาช่วงเย็นๆจะมีแดดส่องเข้ามาในห้อง เขาก็เห็นคนก้มๆเงยๆอยู่ข้างเตียงเป็นผู้ชายตัวผอมดำๆไม่ใส่เสื้อหัวเกเลียนๆพอเห็นอย่างนั้นคุณแม่ของผมก็ช็อกและรีบ ว, วิ่งลงไปหน้าบ้านจนคนในบ้านต้องรีบจับตัวไว้อีกเหตุการณ์หนึ่งจะมีหลานผู้ชายสองคนมาจากต่างจังหวัดเขามาติวหนังสือเข้ามหาลัยในกรุงเทพแต่ห้องไม่พอก็เลยให้นอนห้องนอนเวลาประมาณตีหนึ่งหลานสองคนก็ยังไม่นอนก็มีเสียงเอ้อาดในบ้านผมก็ลุกขึ้นมาดู ก็เป็นหลานสองคนนั่งหน้าตาตื่นกลัวหลานเล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังนั่งเล่นกีต้าอยู่ อีกคนนึงก็อ่านหนังสือหันหลังให้ตู้เสื้อผ้าเขาได้ยินเสียงคนถามมาจากในตู้ว่ามึงมานั่งที่กูทําไมน้องที่อ่านหนังสืออยู่ก็หันไปว่าอคนที่นั่งเล่นกีตาร์อยู่ก็กูจะนั่งตรงนี้อาจจะว่าอะไรเพราะเขาคิดว่าเป็นอีกคนนึงที่ว่าเขาคนเล่นกีตาร์ก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรเลยปกติประตูมันจะปิดไม่สนิทอยู่แล้วปรากฏว่าประตูถูกงแง้มออกมาระหว่างที่แง้มออกมานั้นมีชายผ้าสีดําห้อยมาจากตู้ซึ่งในตู้ไม่มีผ้าหรืออะไรตั้งแต่แรกแล้วแป๊บเดียว พอเห็นอย่างนั้นทั้งสองก็ตะลืดออกจากห้องไปเลยแม่ของนอนก็เลยขึ้นไปบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องนะ่ะข้ามาเรียนเติวมาขออาศัยอยู่3 4วันนะให้พี่น้องได้เรียนจะได้มีอนาคตนะพอบอกเสร็จเด็กทั้งสองคนก็ไม่อยากนอนผมก็เลยต้องขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนโดยผมนอนที่พื้นเด็ก2คนนอนบนเตียงพอนอนไปยังไม่ทันเช้าหลานคนนึงก็ตื่นขึ้นมาววายแบบไม่ลืมหูลืมตาผมก็เขย่าตัวถามว่าเป็นอะไรเด็กคนนั้นบอกว่านะ ผมไม่ไหวแล้วผมกลัวมากเลยมีคนผอมๆปากกว้างๆในฝันไม่ใส่เสื้อตัวผอมดำเดินเข้ามาจับไหล่และพูดว่ากูไม่ให้มันอยู่ที่นี่เด็กสองคนก็อยู่ไม่ได้หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับตู้ใบนี้เยอะมากคนในบ้านจึงเอาไปถวายวัดส่วนห้องก็พยายามที่จะเปิดให้ญาติพี่น้องเข้ามาอยู่แต่ก็ไม่มีใครอยู่ได้เลยอีเหตุการณ์หนึ่งเพื่อนของพ่อน น, นก็มาสังสรรค์กันที่บ้านบางคนบ้านก็อยู่ไกล ก็เลยให้ขึ้นไปนอนบนห้องพอแกขึ้นไปแป๊บเดียวก็เดินมาบอกว่าทําไมให้เขาขึ้นไปนอนในเมื่อมีคนนอนอยู่แล้วและที่สําคัญนอนกัน3าคนด้วยแกเล่าให้ฟังว่าตอนขึ้นไปนอนก็เห็นคนนอนอยู่เป็นผู้ชายตัวผมอมๆสามคนนอนเรียงกันบนเตียงไม่ใส่เสืเส้อประสานมือเอาไว้ที่หน้าอกเขาก็เลยกล่าวขอโทษไม่รู้ว่ามีคนอยู่พ่อของนอนก็เลยพาขึ้นไปดูปรากฏว่าไม่มีใครเลยเพื่อนของพ่อพอเห็นอย่างนั้นก็เลยขอกลับบ้านเลยแล้วกันหลังจากนั้นครอบครัวของผม ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวตัวเองส่วนบ้านหลังนั้นก็เปิดให้คนเช่าคนเช่าคนแรกก็เปิดร้านขุดเดียวด้านล่างของบ้านแต่ก็อยู่ได้ไม่นานลูกชายของเขาก็มาเสียชีวิตลงโดยผูกคอในตู้เสื้อผ้าเหมือนที่นนตายแต่ว่าเป็นตู้เสื้อผ้าด้านล่างลูกชายของเขาเป็นคนแข็งแรงเป็นนักกีฬาแต่ที่ฆ่าตัวตายเพราะเขาทะเลาะกับแม่และที่น่าแปลกไปกว่านั้นการผูกคอของเด็กคนนี้คล้ายคลึงกับการผูกคอของนอนมากสุดท้ายบ้านหลังนี้ ก็ไม่มีใครอยู่เลย